ะเมตตาสูตรเป็นพระ ส, สูตรที่สำคัญพระ ส, สูตรหนึ่งนะในพุทธศาสนาหลายคนก็เชื่อว่าเนียสวดบทนี้แล้วก็จะมีอ่าสิริมงคลคุ้มครองปกปักรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากผีสางนางไม้หรืออัมมนุษย์แต่ที่จริงแล้วเนี่ย เนื้อหาของพระสูตรนี้เนี่ยมีความสำคัญที่กระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยเห็นความสำคัญหรืออนุภาพของพระธรรมโดยเฉพาะเมตตาธรรมรวมทั้งธรรมะอื่นๆด้วยนะอย่างในตอนท้ายนยของพระสูตรเนี่ยก็จะมีข้อความซึ่งแปลเป็นไทยว่า ผู้เจริญเมตตาจิตยืนเดินนั่งนอนก็ดีพึงมีสติตื่นอยู่เสม อ, อบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเนี่ยนี่เป็นการอยู่อย่างประเสริฐหลายคนก็อ่านข้ขามๆไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่บางคนก็อาจต้องสงสัยว่า แค่มีเมตตาจิตแล้วก็มีสติในการเืนเดินนั่งนอนตื่นอยู่เสมอจะเป็นการเป็นอยู่อย่างประเสริฐได้อย่างไรแค่นี้เองเหรอที่ทำให้มีชีวิตที่ประเสริฐได้จริงๆเมื่อไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าถ้า เริเมตตาจิตจนตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะยืเนเดินนั่งนอนก็มีสติตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะสำหรับทานศีลภาวนานะีซึ่งเป็นบุญกิริยาที่สำคัญนะของชาวพุทธ แล้วของมนุทุกคนเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะของศีลสมาธิภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาหลักใจศึกคาที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าถ้า ม, มีสติยืนเดินนั่งนอนกอน็ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวในการที่จะตั้งมันอยู่ในศีลเนี่ย ้องเป็นการยากเพราะว่าจะพ่ายแพ้ต่อโลภะโทสะโมหะเมื่อไหรก็ไม่รู้อาศีเนี่ยนะในด้านหนึ่งก็เป็นการรักษาใจไม่ให้โลภะโทสะโมหะครอบงำโดยการมือพฤติกรรมที่ถูกต้อง แต่ในด้านหนึ่งเนี่ยการที่จะมีศีลไม่แต่ศีล5เนี่ยอย่ไม่ต้องพูดถึงศีลสิหรือศีล8เนี่ยก็ต้องรู้จักรษาใจนะไม่ให้ความโรคความโกรธความหลงครอบงำเพราะถ้าโรบหรือโกรธเมื่อไหร่มันก็ง่ายมากนะที่จะผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อสา ข้อสถ้าหลงนะมันก็ง่ายมากที่ผิดศีลข้อหาอันนี้จะไม่ให้ความโรคความโกรธความหลงครอบงาใจจนผิดศีลได้เนี่ยมันก็ต้องมีสตินะไม่งั้นก็นจะแพยแพ้ต่อกิเลสที่ว่าแต่ในสถานการนีนอกจากไม่ไปผิดศีลหรือจะไม่ไปทำชั่วพอมีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ย เมตาจิตเนี่ยมันก็ช่วยทําให้บุคคลเนี่ยทําความดีนะไม่ทําชั่วอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่พอนะต้องทําดีด้วยคนไม่ทําชั่วก็ไม่ผิดศีลนี่ยังเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้นะอย่ไปเข้าใจว่าพอไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยจะเป็นคนดีได้นะ คนที่ไม่ผิดศีล น, นะหมายถึงศีลหแต่ว่าไม่มีน้ําใจไม่มีความช่วยเหลือไม่รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลทุกคนเนี่ยจะเลืเป็นคนดีไม่ได้คนที่ไม่ผิดศีล5้าเลยแต่ว่าไม่มีน้ําใจเห็นแก่ตัวนี่ก็มีนะเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวเขาเนี่ยมันไม่มากไปถึงขั้นไปเบียดเบียน ทำร้ายผู้อื่นแต่มันก็มากพอที่จะไม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นต่อเมื่อมีน้าใจมีมัยตรีจิตมีรู้จักช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้และการช่วยเหลือเพื่อกูลเนี่ยมันก็เริ่มจากการให้ทานให้สิ่งของ ให้ข้าวปราอาหารด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนึ่น ต, ต้องอาศัยนะเมตตาจิตอันนี้พอมีเมตตาจิตมีสติรู้ตัวตลอดเวลามันก็เป็นพื้นฐานนะให้ออกการทำสมาธิหรือการฝึกจิตเพราะว่า ถ้าจิตไม่มีเมตตานะี่บางทีมันก็ถูกความโกรธความคับแค้นความหงุดหงิดเล่นงานจิตใจนะหลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าเสียงดังรบ ก, กวนรู้สึกหงุดหงิดที่มาของเสียงเกิดความโกรธต้นเสียงแม้เป็นเสียงหมาเห่าเสียงคนคุยกันหรือว่า เสียงจากโทรศัพท์มือถือใจที่มันบ่นไปวอวายตีโพยตีภายหรือกลดาต้นเสียงเนี่ยนะมันจะมีสมาธิแดงไลต่อเมื่อมีเมตตาแผ่เมตตาให้เข้าไปให้อภัยเข้าไปความโกรธก็ออกทุเลาความหงุดหงิดก็เบาบาง ไม่มีความกระสับกระส่ายในจิตใจการเจริญสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายจิตใจก็ชุ่มเย็นเป็นผลตามมาเช่นเดียวกันนะถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะถึงแม้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกระทบหูเสียงจากภายนอกที่ไม่ถูกใจ แต่ถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะให้ความงุนงิดความรำคาญมันก็ทำลายจิตใจไม่ได้จิตใจก็ยังสามารถที่จะสงบเย็นได้จะใช้ความรู้สึกตัวรู้สติไปกับการเจริญวิปัสสนานะก็สำคัญเหมือนกันอนะ จะภาวนาจนเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานยังต้องอาศัยสติต้องอาศัความรู้สึกตัวมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาจะงอกงามหรือว่าจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถึงพร้อมเนี่ยนะั้นก็ต้องมีสองสิ่งนี่แหละนะเมตตาจิต และสติหรือความรู้สึกตัวซึ่งแสดงออกด้วยความรู้ตัวเวลายืนเดินนั่งนอนหรือทำอิริยาบถน้อยใหญ่และเมื่อบาเพันทานศีลภาวนาครบถ้วนหรือว่าเจาริญตริกาศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอยู่อย่างประเสรเิฐนะเข้าถึงสิ่งที่ ถ้าจะเรว่าถ้าจะพุดถ้เลียว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเงย็นเป็นประโยชน์จะสงบเงย็นเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องมีสองสิ่งนี้แหละนะหรือ3สิ่งเนี่ยคือสติความสึกตัวแล้วก็เมตตาจิตที่จริงสติความสึกตัวหรือว่าสัปชัญญะมัก็เป็นฟาแฝ่กันบางทีเราก็เรียกแทนกันได้อาการเป็นอยู่อย่างประเสริฐหรือชีวิตที่สงบเงย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นีก็เพราะ เมตตาจิตสติที่เอื้อให้เกิดความรู้ตัวหรือตื่นอยู่ตลอดเวลางั้นถ้าเราทำการกระจายพุทธภาศิต ป, ประโยคนนี้ให้ดีเนะี่ยมันก็จะเห็นคุณค่านะของการฝึกจิตให้มีสติให้มีเมตตากรุณา ซึ่งว่าไปล้เนี่ยจะทำอย่างใดเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคือต้องหมั่นมองตนหมั่นมองตนอยู่เสมอการจะบําเพ็ญทางจิตปัจจัยพื้นฐานเนี่คือต้องขยันหมั่นมองตนไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกหรือเพลิดเพลินในสิ่งกระตุ้นเล่าที่อยู่รอบตัว อันนี้พุทธเจ้าก็ตัดได้นะว่าบุคคลเนี่ยพึงพิจารณาตนด้วยตนเองอันนี้เป็นพุทธภาสิทธิที่สาคัญมากพึงพิจารณาตนด้วยตนเอง่าไปรอให้ใครมาพิจารณาหรือว่าแนะนำเราเราต้องพิจารณาด้วยตนเองถ้าคนรอเนี่ยถ้าไม่หมั่นมองตนแนะ้วมันก็ไม่มีทางที่จะ จเจริญในธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาอันนี้มองตนนะเพื่ออะไรนะก็เพื่อฝึกตนฝึกตนฝึกทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกตนเพื่อให้มีศีล อิงอดงามสมาธิที่สงบเย็นปัญญาที่สว่างสวัยเรียกว่าเกิดความสะอาดสงบแล้วก็สว่างแต่ว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันต้องรู้จักแก้ปัญหาที่ตนเองก่อนนะมองตนเนี่ยมันก็นำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนตนเองหรือการแก้ไขตนเองโดยเพราะเวลามีความทุกข์คนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์โดวยว่าความทุกข์ใจเนี่ยคิดแต่จะไปแก้ข้างนอกนะเสียงดังอากาศร้อนหรือว่างานการไม่รับรื่นถ้าว่ามองตนแล้วแต่ไป ถึงเวลาจะแก้ปัญหาไปแก้ที่ข้างนอกไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขนี่มันไม่ใช่นะมันอาจจะจำเป็นอยู่นะแต่ว่าจะต้องมาเริ่มต้นที่การแก้ที่ตัวเองก่อนจะแก้ที่ตัวเองได้ก็ต้องเห็นนะว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นเวลา มีเสียงกระทบหูแล้วเกิดความหงุดหงิดน ะ, ะก็ต้องคิดแก้ที่ใจของตัวก่อนในการมันมันมองตอนเนี่ยมันจะนำมาสู่จุดเนี้ยคือแก้ที่ตนไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นไม่ทําอย่างงนหยุดทําอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะมีความสำคัญอยู่นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแก้ที่ตนเอง เราลองสังเกต ด, ดูนะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีเหตุมาจากใจของเราเองอย่างที่หลวงปู่บุด ธ, ธาสอนลูกศิษย์นะลูกเสด็จงดงหงิ ด, งดนะที่มีเสียงเกี้ยดังมาจากห้องข้างเคียงนะคนสมัยก่อนก็สวมเกี้ยไม้ ก, กัน พออาซิมห้องข้างๆก็สวมเกียสวมเกี้ยเดินเสียงดังลูกศิษย์ก็หงุดหงิดรําคาญพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจเลยไ ม, ไม่เกรงใจ เ, ยเลยหลวงปู่บุตดาท่านจําวัดอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับท่านก็พูดเปรยๆขึ้นมาว่าเนี่ยขอเดินเขา อ, อยู่ดีๆเราหูวไปรองเกี้ยเขาเองนี่ท่านกำลังชี้ทำนะว่าเนี่ยที่เธอหงุดหงิดนะนะ ว่าเธอเอาหูไปรองเกี้ยอย่าไปโทษอาซิมที่เขาเดินเสียงดังต้องมาถามใจธอว่าททำไมเอาหูไปรองเกี้ยถ้าเธอไม่เอาหูไปรองเกี้ยใจเธอก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญเดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงเกี้ยแต่มันมีเสียงอื่นแทนนะเสียงค้อนเสียงหมาเห่าเสียงมอเตอร์ไซค์ หรือว่าเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังในห้องถ้าเราไม่เอาหูไปจดจอเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะ้เราจะรู้ตรงนี้ได้ก็เพราะเราหมั่นมองตนมาสังเกตใจของเราว่ามันทำอะไรมีส่วนในการทำให้เกิดทุกข์ที่ใจหรือเปล่า เวลาเกิดทุกที่ใจเนี่ยนะไม่ว่าจะมีสายเหตุจากอะไรเนี่ยการแก้มันต้องเริ่มที่ใจของเราที่แรกอาจจะเป็นแค่อดทนนะเสียงดังกระทบหัวสึงหงุดหงิดนะอดทนอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อความหงุดหงิดไม่ไม่หลุดปากตะโกนด่าออกไปนะ ให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงดังหยุดเปิดเพลงดังอันนี้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยความอดทนที่เรีว่าขันติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้ที่ใจในระดับเบื้องต้นแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะแทนที่จะอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือต่อเสียงที่มากระทบหูก็เปลี่ยนมาเป็นการปล่อยวางปล่อยวาง อย่างที่หลวงปู่บุดาก็เตือนให้ลูกศิษย์เนี่ยอยไปเอาหูรองเกีย้ยแม่เอาหูไปรองเกีย้ยคือไม่ต้องไปก็คือปล่อยวางเสียงเกีย้ยนั่นเองปล่อยวางเสียงเกีย้ยอาจจะเริ่มอา จ, จทําด้การไม่ไปสนใจไม่ถือไม่ไปจดจอ่ออันนี้ก็เลยเป็นการปล่อยวางได้นะ เวลาพ ป, ปล่อยวางแล้วคนก็ส่วมันยากนะจะปล่อยวางได้ยังไงปล่อยวางเสียงที่มากระทบหูนี้ก็ยากแล้วไอ้ที่มันยากกว่านั้นคือปล่อยวางความหงุดหงิที่เกิดขึ้นในใจหลายคนก็นึกแต่เพียงว่าต้องอดทนอดทนอดทนดท น, นับ1นึสนับ1นึถึงสิแต่จริงเนี่ยมันใจเราทําได้มากกว่านั้นนะก็คือรู้จักปล่อยวาง ปล่อยวางยังไงนะปล่อยวางก็ด้วยการมีสติเห็นมันในะหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญญาที่จะมองว่ามันไม่มีเราไม่มีตัวกูของกูความหงุดหงิดก็ไม่ใช่กูนะไม่มีตัวกูไปออกรับเสียงไอ้ทำยากปัญญายังไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราฝึก ให้เห็นมันซะก่อนให้เห็นมันการปล่อยวางนี่มันทำได้ได้นะด้วยการฝึกเห็นเห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นความโกรธยิที่เกิดขึ้นหรือเห็นต่างกาของใจที่ไปจดจ่อกับเสียงนั้นเห็นอาการของใจที่ไปที่สั่งหูไปรองเกี้ยเห็นตรงนี้ก่อนด้การเห็นนี่มันก็ช่วยทําให้ปล่อยวาง ไปได้มากเลยนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะที่หลายคนไม่รู้จักหรือว่าถึงรู้จักแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจปฏิบัติถ้าฝึกนะให้เห็นเห็นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบมันก็วางได้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะพอเห็นบ่อย มีสติที่ว่องไวปราดเปรียวต่อไปมันก็จะเห็นนะธรรมชาติของอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสียงที่มากระทบที่จริงไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะรวมถึงลูกรถนะกลิ่นผดทพะรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ ประสบพบเหตุรุปผาเข้าในชีวิตมันก็จะเห็นนะาเออมันก็เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงยิ่งจะเห็นต่อไปแนะมันไม่มีเราไม่มีตัวกูนะี่มันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะไม่มีผู้ถูกกระทบไม่มีผู้ถูกกระแทกแต่ว่ากอยถึงตรงนั้นเนี่ยก็ให้เห็นด้วยสติซะก่อนมันเป็น เคล็ดลับในการปล่อยวางนะที่เราทุกคนก็ทำได้แล้วควรทำด้วยทีถ้าเราทำได้ น, นะเราสามารถที่จะแก้ทุกข์ได้ด้วยตัวเองไม่ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาแก้ตามใจเราหรือไม่คิดแต่จะไปแก้คนอื่นเราก็จะ เป็นอิสระจากสิ่งภายนอกได้มากขึ้นและเราก็จะกลัวปัญหาต่างๆน้อยลงสิ่งที่เราเป็นปัญหานี่มันก็เกิดจากการปูนแต่งการตีค่าให้ค่าของใจเราเราเรียมันเป็นปัญหาเพราะมันมันไม่ถูกใจเราเพราะเราไม่ชอบ แต่เราพอเปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นความเฉยๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปหรือถือเรามองว่ามันเป็นครูสอนใจเราเป็นแบบฝึกหัดให้กับใจเรามันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่มันกลายเป็นบททดสอบหรือเป็นบทเรียนให้กับเราเราเปลี่ยนปัญหานะหรือทำหมปัญหาหมดไปเนี่ย ไม่ใช่ด้วยการไปแก้จัดการกับคนอื่นหรือสิ่งภายนอกแต่แก้ที่ใจเราปรับความคิดเป็นมุมมองปัญหาก็หมดากลายเป็นบทเรียนแก้เป็นแบบฝึกหัดหรือกลายเป็นครูให้กับเราอาจารย์ชาติสโรนนะั้นพูดดีนะบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการสร้างเรือเมื่อสร้างเรือแล้วจะกลัวคลื่นทาไม ในตอเดียกันเมื่อฝึกจิตแล้วก็ย่อมไม่กลัวปัญหาหลายคนเนี่เวลาฝึกไปหรือมาสนใจเรื่องการฝุดจิตเนี่ยกลับกลัวปัญหาพยายามหนีปัญหาเจอปัญหาที่ไหนก็หนีไปที่อื่นหรือไมิฉะนั้นก็บน่นโวยวายตีโพยตีพายไปเรียกร้องให้คนที่เราคิดว่าเป็นตัวปัญหา หยุดทำตัวเป็นปัญหาเักทีหยุดการกระทำที่เป็นปัญหาสัคทีพอเขาไม่หยุดก็ เ, เกิดความทุกข์เกิดความขับแค้นแต่ี่จริงแล้วเนี่ยนะแต่ที่ท่านอาจารย์ชาติสรบอรเนี่ยถ้าฝึกจิตล้วก็ไม่กลัวปัญหาเพราะว่ามองว่าปัญหานี่ก็เป็นเครื่องฝึกจิตนะเป็นแบบฝึกหัดนะหรือตําราที่สอนใจ ปัญหาเวลาเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเช่นความกังวลความหงุดหงิดความไม่พอใจไอ้พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีนะมาฝึกให้เรามีสติมีสติเพื่อรู้ทันมีสติเพื่อรู้จักปล่อยรู้จักวางทีแรกมันก็สอนให้เรามีสติเห็นมันอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยวาง ท่านท่วงทีต่อไปมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าเออพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปไมไม่เที่ยงเลยสอนอันอ น, นี้จังให้เราเห็นนะแล้วก็สอนให้เราเห็นถึงอนัตตาเมื่อเราปฏิบัติจนถึงว่าเนี่ยไอ้ความโกรธไม่ใช่เราความหกรธยิไม่ใช่เรา เราก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ปล่อยให้ความไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเผาลนจิตใจหรือบีบคั้นใจเราใจาเราก็จะสงบเย็นได้สงบเย็นเพราะอาศัยอารมณ์เหล่านี้แหละนะเป็นแบบฝึกหัดให้กับจิตใจของเราหรือเป็นครูสอนเรา หลวงพ่ออมเขียนท่านเคยพูดนะว่าเนี่ยสติเนี่ยเหมือนกับ น, นักศึกษาส่วนกายและใจเนี่ยคือตำราใที่จริงถ้าเราเวลาเราปฏิบัติทําหรือเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะเรามีจิตใจอย่างผู้ไฝรู้นะไฝรู้คือไฟเรียนรู้อยู่เสมอเนี่ยโดยมีสตินะเป็นเครื่องมือ อยที่หลวงพ่อมีใช่ไว่ามีสติเป็นนักศึกษาไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือรูปโลกเหตนเสียงที่มากระทบนะกับตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งความคิดที่มากระทบใจเราเนี่ยมันก็กลายเป็นของดีนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้ นถ้าเราฝึกจิตเนี่ยนะปฏิบัติทมในฐานะผู้ไฟรู้ไฟไฝศึกษาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะได้ประโยชน์จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่ า, ากุศลหรื อ, อกุศลไม่ว่าอาการของใจมันจะฟูหรือแฟบนะเออมันก็ให้ประโยชน์กับเราในการ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของกายและใจให้แก่เรานี่แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเน่ชนิดที่ระดับแสงหาความสงบบางทีมันทำให้เราตกหลุมนะเพราะว่าพอเราเจอสิ่งกระทบต่างๆที่ไม่ถูกใจนะเราก็จะโวยวายตีโพยตีภายหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่รู้จักนะหาประโยชน์จากมัน ตรงข้ามถ้าเราปฏิบัติฝึกจิตอย่างผู้ใฝ่รู้อย่างนักศึกษานะหรือว่าเอาสตนะเิเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามเพราะฉะนั้ น, นลองนะเวลาเราปฏิบัติทำให้เราปรับใจนะให้เป็นผู้ใฝ่รู้ เรื่องน้อยเนี่ยก็หมั่นมองตนและคิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีทุกข์เราก็จะแก้ที่ตนนะไม่คิดไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขให้มันถูกใจเรานี่เราก็จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติจากธรรมะ